Ram Saran g a i c h a เดิมตอนที่แล้วสมณครดมเรุ่นทรมานตนเพื่อความรลุดพ้จะร่างกายผ่ายผอมเนต่ลังพุ่งกระเด็นซึ่งถูกเรียกในภายหลังว่าทุกกระลากริยาเราประจอบักเทพยายามทําตามแต่ก็ทอดใจเพราะทนทรมานไม่ไหวได้แต่รอคอยและเป็นกำลังใจให้สมณครดมตรัสรู้การุธายีดำฐานโดยการหาแต่จับจ้าชายสิทธาไม่ได้และพยา ม, มานวศร ยังแปลงกายเป็นพอค้ามาบอกว่าเจ้าชายสิ่งมันชนแรงเมื่อพระเจ้าสุดโทนนาสงสารก็เสียร่างกายจนพระเี่สารขาวต่างพิสูจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปทศเชิญติดตามรับฟังละครวิธีดูเรื่องพระพุทธเจ้ามหาบรุษแห่งชมพูทวีตอนที่สิบเก้านา เสด็จพี่สุทธาทำไมนะโชคชะตาจึงทำร้ายและทำลายชีวิตของเราสองถึงขนาดนี้ทำภัดยดีกทีพี่ครับวชิรายอย่าปลอบเราให้เสียเวลาเลยเกษณีเมื่อคราวที่เสด็จพี่หนีออกจากเมืองไปบรรพชาตอนนั้นก็นับว่าเราเสียใจแต่การจากเป็นยังพอมีหวังว่าอาจจะกลับมาพบกันได้แล้วนี่เป็นการจากตายอะ ชีวิตที่เหลือของเรายังจะมีความหมายอะไรถ้าไรพระสวามีปกเกลคุ้มเกล้าวพวกเราดูซึ้งถึงจิตใจของลูกดีนะพิมพาแต่ต่อให้เจ้าร้องไห้จนน้ำตากลายเป็นสายเลือด สิทธะก็คงไม่มีทางฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้พระมมเหสีสรงพริญญาปลอบปไทยพระชายาและทรงขออย่าให้พระชายากันแสงเสียปไทยแต่พระองค์เองกรับทรงห้ามนานพระแม่เอาไว้ไม่ไหวเหมือนกันเลยนะพี่แคสีสนส่นั่นแล้วเสิยเมรัสมีเอ๊ะนี่ ยาทรงผลเคลือบประดับทั้งหลายออกจากผ้าวรกายทําไมทีคะจะให้เราตกแต่งประดับประดาร่างกายเอาไวรอคอยใครหรือจะให้ใครดูอีกละเกีสนีต่อไปนี้เราจะไม่ประดับกายหรือแต่งหน้าจะไม่ประทินผิวเครื่องหอมนานานแม้แต่เสื้อผ้าที่เคยเป็นแพรและใหม่ก็จะไม่ใช้จะหอ่อคลุมด้วยผ้าฝ้ายเนื้อหยาบเท่านั้น ที่นอนอ่อนอ่อนนุ่มสบายด้วยฟูกชั้นดีต่อไปนี้ก็จะปูลาดด้วยยา <c oughs> ถือว่าเป็นการไว้ทุกข์ให้สเสด็จพี่ทำตามที่เราสั่งนะเกศนีรัศมีไ้ค่ะ แกใจค่ะผู้เป็นพญามารนี้ใหญ่ข้าพอใจที่ทำให้พวกเจ้าทั้งหลายมีความทุกข์มีความเล่าร้อนดังถูกไฟแพ่เผาได้ถ้าจะไปดูจมมานมนุษย์อีกผู้นึงซึ่งขับแบ่งกำลังไปให้เดี๋ยวก่อนวัตถีนั่นท่านจะไปไหน ทำไมอยู่ดีๆร่างของเจ้านี่ก็รับหายไปต่อหน้าข้าทำกำลังเจราจา ก, กับใครหรือกัยาฮีทหาราาข้าขอวานให้พวกเจ้าดูทีเมื่อครู่นี้มีชายร่างใหญ่อยู่ตรงหน้าข้าแต่อยู่ดีๆไม่รู้ว่าหายวับไปไหนข้าพระเจ้าไม่เห็นใครเลยนะท่านกาลทายีตรงเนี้ยมีแต่ท่านพวกเจ้าเห็นไหมข้าก็ไม่เห็นใคร นอกจากท่านอามาคนเดียวเท่านั้นแต่ท่านกำลังผู้คนเดียวอยู่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแล้วนี่เราพูดอยู่กับใครพูดผีปีศาจมารเทวดาหรือว่าเราเป็นบ้ากันแน่นี่ เวบัควรพระเจ้าค่ะสด็จพ่อมีอันใดหรือเทวทัตถ้าทางจะดูเหมือนอึดอัดขัดใจและอารมณ์ไม่ดีเท่าไรขคากำลังสงสัยทำไมเราไม่ประกาศสงครามกับกรุงกบมิลพัทสัทีคารอมาหกปีตั้งแต่เจ้าสิทธาถานี้ไปบวชจนสูญหายอย่างนี้จนแกตายก็ไม่ได้รบกันแนะ่ดูเจ้าชัางกระหายสงครามแต่แทนเทวทัตรู้หรือเปล่าว่าชาวเมืองเทวทหะของเรา ต่างสรรเสริญสิท ธ, ธะที่เลี่ยงนี้จนไม่มีการศึกระหว่ังเมืองพี่เมืองน้องและเราอยู่ต่อมาด้วยความปรองดองและสันติอย่างนี้สันตินี่ขี้คาตาขาวเส้นนี่เธอข้าได้เป็นใหญ่ในเมืองเนี่ยคงไม่ปล่อยให้เจ้าพวกศักยวงศทั้งหลอยลอยนวลด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยเหตุนี้เจ้าจึงไม่ได้เป็นใหญ่สภาเมืองของเราจึงคัดค้าน ไม่พ่อแต่งตั้งเจ้าเป็นองรัชถายาตยังไง ล, ล่ะเราทุกคนจะเสียใจและรู้ว่าคิดผิดเมื่อเจ้าสิทธัตถะมันกลับมาพ่อก็จะรอดูเวลานั้นเมื่อถึงวันที่สิทธัตถะกลับมากบิลพัทและสร้างปัญหาพ่อจะให้เจ้าเป็นจองทัพของเมืองเทวทหะเราทันทีด้วยความดินี้อย่างยิ่งพระเจ้าค่ะลูกเขาถวายบังคมหล่ะ แล้วเจ้าไม่คิดถึงพิมพาน้องสาวของเจ้าบาังหรือไงน้องเทวทัตเจ้าอาจจะตัดพี่ตัดน้องได้แต่จะให้พ่อตัดพ่อตัดลูกพ่อจะทำได้อย่างไร ตัวรับเสด็จเร็วรัศมีพระมเหสีพระชาบดีกําลังเสด็จมาทางนี้คงจะเสด็จมาเยี่ยมพระชายาพิมพ์พาของพวกเราน่อยสิพิเกศณีเทวาย <ใบ S 1> าบัง <ใน S 1> คมเพคะพระมเหสีลูกพิมพ์พาเป็นอย่างไรบ้างเกศนีตั้งแต่พระชายาส่งทราบข่าวพระสวามีก็ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นเหมือนหญิงสามันธรรมดาและเสวยอาหารยาก ที่ไม่มีรถโอชาเลยพี่คะนางสงสารพิมพาจริงๆนั่นออกมาพอดีถวายบังคมเพคะเสด็จแม่เรื่องของสิทธัตถะทำให้เจ้าต้องลำบากแท้แต่ไม่จำเป็นต้องทำถึงอย่างนี้ก็ได้เพียงน้อยก็เป็นเสมือนการไวทุก์ให้เสด็จพี่ถ้าได้ถวายพระเพลิงที่นี่บางที หม่อมฉันอาจจะทำอย่างพวกที่ถือพิธีสเตรีคือตามพระสวามีเข้ากองไฟเพคะอยา่าทรงทำเช่นนั้นนะเพคะพระชายาถ้าเราจะทำในรัสมีก็คงไม่มีผู้ใดห้ามได้เด็กย้าลาหุ่นหลานยญ้ามาให้ย้ากอดทีนี่ไงล่ะพิมพาคนที่สามารถห้ามเจ้าเพราะจะต้องอยู่ดูแลเขา ต่อไปจนเติบใหญ่เพคะราหุนคือพลังใจให้ม่คลชันทุนอยู่ต่อไปเอ๊ะนะหุนรักเด็แม่แม่ก็รักลูกมากจ่ะเจ้าเป็นแก้วตาดวงใจของแม่แทนที่เสด็จพ่อของลูกได้นะ มมยืนองดูกับพระพเจ้าเก่งว่าท่านสมณะโคโดมที่กําลังทรมานกายอาจจะไม่ผ่านคืนนี้ไปได้ก็เลยมาดูกันน่ะท่านโกทัญญาพูดอะไรอย่างนั้นนะว่ะปะท่านสมณะกระทำทุกขการิยามานานหลายปีท่านก็ยังดํารงชีพอยู่ได้นี่นะแต่ว่าเวลาเนี้ยท่านลองดูที่หัดซึ่งกําแน่งของท่านสิโอ ท่านก็มยอมแบ ม, มานานจนเล็บงอกออกมาทะลุฝาหัดเข้าไปมีคราบเลือดที่หลายจนแห้งกรังแต่ก็ยังกำหัดอยู่ได้นะพัทิยาท่านไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดบ้างหรือยังไงนะเจ็บปวดสิพัทิยาเหมือนบุรุษอันมีกำลังเอาลิมไม้อันแหลมคมตอกเข้าในฝ่ามือของอาตมาแต่แม้ว่าจะเจ็บปวดแสนสาหัสสติของอาตมา ก็ยังตั้งมั่นอยู่ได้เพราะท่านบนรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมหาไม่ได้ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายอัตตมะยังไม่รู้แจ้งอันใดจึงยังไม่หลุดพ้นถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องทนทรมานต่อไปนะสิเพราะไม่มีวิธีใดจะดีวกว่าวิธีนี้แล้วใช่ไหม ให่เป็นชนิดต่อไปพระสมณโคโดมหรือพระบรมโพธิสัตว์อาจจะรสังขารเพราะสู้กับความทรมานทางร่างกายไม่ไหวก็เป็นได้นะท่านพระมหาพรมพวกเราไม่อยากชมบุญท่านแต่เพียงเท่านี้นข้าก็ใจผู้ท่านดีองค์อมรินและเทพยาดาทลายและข้าก็รู้ดีว่าการทรมานตนนั้นไม่อาจจะดับทุกได้แล้วเหตุใดท่านจึงไม่แจ้งแก่พระสมณะโคโดมละ่ะพระท่านสมณะ จะต้องได้คำตอบที่แสวงหาด้วยตนเองนะสิจึงจะเป็นการตรัสรู้หรือรู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาแต่เมื่อไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงนานวันสมองอาจจะถึงหุดติดตันได้แล้วใครจะเป็นผู้แก้ไขในเรื่องนี้ละ่ะท่านเทาาสักการเทวราชอาจจะเป็นข้าพระเจ้าใช่ไหมท่านเท้ามหาพรหมจึงได้ส่งพินนี้ให้พินนี้มีสามสา องอมรินท่านลงใช้ที่พยาปัญญาตรองดูว่าควรจะทำประการใดข้าจะนำพินสามสายนี้ไปหาท่านสมณะโคโดมเดียวนี้ผูเขาพระเจ้าไปด้วยสิอง์อมริน สมนาโคโดมนั่งอยู่ใต้ต้นนิโคทะหรือต้นไซองค์เดียวพอดีกำลังปลอดคนเพราะไม่มีพวกบัญจาวัคคีอยู่เฝ้านั้นค่ข้าพระเจ้าจะได้เป็นเลงด้วยพินนี้เดี๋ยวก่อนซิองอมารินพินยังไม่ได้ขึ้นสายผู้ใดว่ากันสายแรกนี้ขึ้นและขึงไว้จะตึงเปรี้ยเลยนะท่านเทพ ย, ายดาข้าพระเจ้าจะลองดีสายนี้ก่อนเพื่อดูว่าจะเป็นอย่างไร สายพินขาดพราตึงเกินไปแล้วเห็นไหมท่านอืมงั้นก็ลองดีดพินสายใหม่ขึงไว้จนสายหย่อนอย่างนี้ไม่มีทางขาดง่ายๆเพท่านตั้งใจฟังให้ดีว่าพินสายหย่อนอย่างเนี้ยจะมีความไพเราะตรงไหนสายพินตึงเกินไปก็ไม่ได้หย่อนเกินไปก็ไม่ดี งั้นพวกท่านลองฟังเสียงนี้ข้าพเจ้าขึงไว้และปรับให้อยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างตึงกับหย่อนพอดีฟังนะตววเทพทั้งหลาย ฟังแล้วค่อยไาเลาะเป็นเสียงพินที่น่ายินดีแล้วพวกท่านรู้ไหมว่าทำไมต้องตั้งสายพินให้อยู่ตรงกลางระหว่างตึงกับหย่อนเกินไปอย่างนี้เทพ ย, ยดาทั้งหลายนอกจากเพื่อความไพเราะแล้วพวกข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเทพ ย, ยดาทั้งหลายยังไม่รู้เอแล้วท่านผู้มีปัญญาที่อยู่แถวนี้ล่ะจะคิดออกหรือไม่นะ จนสายตึงเกินไปพอบรเลงก็อาจจะสายขาดได้หากหย่อนเกินไปก็ฟังให้เพาะไม่เป็นเพลงเหมือนตัวเราที่คล่ำเครง่งบำเพ็ญด้วยการทรมานตนให้ทุกขเวทนาแสนสาหัสชีวิตก็อาจจะสิ้นขาดเหมือนกับสายผิด ย่อยหย่อนเหลวไหลอยู่ในกามโลกีย์ก็ไม่อาจจะรุดพเหมือนสายพินที่หย่อนเช่นกันนอกจากพินที่ขึงสายพอดีเท่านั้นไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วใช่แล้วทางสายกลางทางสายกลาง ใจในทางสายกลางหัวใจจึงสว่างด้วยแสงแห่งปัญญาข้าพระเจ้าคิดว่าอีกไม่ช้าท่านองค์ตรัสรู้เป็นพระสัพพันญูสัมมาสัพพุทธเจ้าได้เพราะมีคำชี้แนะจากท่านองค์อมรินและเทพยาดาทั้งหลายท่านเข้าใจผิดแล้วข้าพระเจ้าก็ยังไม่สามารถเข้าสู่เส้นทางนั้นด้วยปัญญาตนเองได้แม้แต่เท้ามาหาพรหม ผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกก็เช่นกันผู้ข้าพเจ้าและเหลา่าเทยเทพก็หวังจะได้รับการแบ่งปันความรู้แจ้งจากท่านแต่ก็อดกังวลใจมิได้เทพยะดาทั้งหลายพวกท่านมีความกังวลในเรื่องอันใดหากแม้สมณโคโดมพระบระโมโพธิสัตว์ตรัตรสรู้เมื่อไหร่ท่านย่อมเทศนาสั่งสอนสรรพสัตว์และพวกเราเหล่าเทพยะดาทั้งหลายให้ได้รับความรู้นั้นเช่นกัน เรื่องนั้ น, นพวกข้าพระเจ้าเข้าใจแต่เท้าสักกะเทวราชท่านก็ทราบดีว่าสังขารนั้นเป็นกายยากของมหาสมณะนั้นชำรุดสุดโทรมเต็มทีโดยเฉพาะในเวลานี้ท่านอาจจะสิ้นกาละจากสังขารก่อนจะหลุดพ้นถึงซึ่งนิพพานก็เป็นได้แล้วพวกท่านเทพพญดาทั้งหลายจะทำประการใด พวกข้าพเจ้าจะขอให้ท่านสัมาณโคโดมประธานอนุญาตให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายช่ำแรกทิพย์พยาลังเข้าในวรกายของท่านหวังว่ามหาสันท่านจะยินยอมให้พวกข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหาภูสลอันยิ่งใหญ่คือได้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสู้ของท่านในครั้งนี้อาตม์อนุญาตพวกท่านทั้งหลายด้วยความดี เหล่าเทพพยายดาทั้งหลายต่างยองกรประนมหันแล้วแทรกายทิพสูอินรีของพระบรมโพธิสัตว์ ท, ทันทีพระชวีที่เศ้าหมอกก็พลันของใสลักษณะมหาบุรุษที่เคยเลือนหายก็ปรากฏขึ้นใหม่โดยรอบพระวรกายมีรัศมีเป็นฉับพันนรังสีหประการพวยพุ่งออกมาได้แก่มีละเขียวเหมือนดอกอัญชันหนึ่งปีตัดเหลืองเหมือนหอระดานทองหนง โลหิตะแดงเหมือนตะวันอ่อนหนึ่งโอทาตะขาวเหมือนแผ่นเงินหนึ่งมันเชธะสีหงส์สบาดเหมือนดอกหวนไก่หนึ่งและประพั ส, สอนสีเลื่อมพลายเหมือนแก้พลิกหนึ่งซึ่งทำให้รู้ดีว่าพระสมณะโคโดมจะทรงตรัสรู้ได้ในเวลาอันใกล้ ดิฉันกราบเจ้าค่ะท่านนางปวดทั้งหลายเรียกพวกเราทั้งห้าว่าปัญจงพอดีก็ได้นะนางเป็นใครมิทุรัอันใดหรือน้องหญิงดิฉันชื่อปุณนะเป็นนางทาสีของนายหญิงสุชาดาธิดาของนายบ้านเสนานี้เจ้าค่ะเมื่อปีก่อนนายหญิงได้มาบนบานไว้กับเทวดาอารักษ์ในป่านี้ ขอให้นางได้มีคู่กับชายดีมีวันณะเสมอกันและขอให้มีบุตรคนหัวปีเป็นชายบัดนี้ความที่บนไวยได้สมใจปรารถนาบุตรชายของนางมีอายุได้3ามเดือแล้วเจ้าค่ะพวกเราขอสแสดงความยินดีกับนายหญิงของเจ้าด้วยนะคุณนะขอพระคุณเจ้าค่ะท่านปัจจวัคคีด้วยเหตุ น, นี้นายหญิงสุชาดาของดิฉันจึงสั่งให้ดิฉันเข้ามาในป่าเพื่อหาต้นไม้ใหญ่ เาเชื่อกันว่าน่าจะมีเทวดาอารักสิงสถิตยอยู่เพื่อนาจะได้ทําการแก้บนในป่านี้มีต้นไม้ใหญ่มากมายทั้งต้นนิคโครทาและต้นใสโน่นก็มหาโพต้นใหญ่แต่จะมีเทพ า, ารักหรือไม่เนี่ยอาตมาเขาไม่อาจจะรู้ได้ถ้านนักวัวชี้นิ้วไปที่ต้นโพและต้นใสอาจเป็นการบอกไปก็ได้เราจึงมองตามไปแต่เอ๊ะ ที่ใต้ร่มเงาไซใหญ่ต้นนั้นมีชายผู้หนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นและทรวร่างกายมีรัศมีสว่างจ้าใช่แล้วท่านต้องเป็นเทวดาอารักษ์ที่เรากาลังตามหาต้องรีบกลับไปแจ้งแกนายหญิงสุชาดาเดี๋ยวนี้ นามผู้แสดงสัจพฤษศรีหาเมธีปันทรัตน์พนเกียรติบุรโชนสันศรีศริยาพรวรการเจริญดีเปรมกรมลโชติกาสเสถียนฐานิศศิณารัตน์เกณฑ์นิตเรืองศรีสุพิศราพัฒเจริญพิทยารักสุทธิพัฒอ่อนปรางจรุพัฒเสวตรัตน์โชติกาเสเวตรัตน์อ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทพงศ์มัฒนาบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดี กำกับการแสดงศัจพฤษสีหาเมธีอํานวยการผลิต